ยะถาวาริวหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวเมวัยโตทินนางเปตานางอุปกปติอิจิตังปทิตังตุมหังคิปเมวะสมิชาตุสัเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนารสุยะถามณิโชติ ระโสยทาสัพพิตโยวิวัตชันตุสัพพ โ, โรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภะอภิวาธนสีลิสนิจจังบุตธาปจายิโนจัตตารธรร ม, มาวัทานติ อายุวันโนสุ ข, ขังภาลังภวะตูสัพะพมังคลังราขันตุสั พ, พัทเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพสังคานุภาเวนะสัทาโสถีภะวันตูเต